น้อมน้อมต่อคุณพระรัธไทรีขอการลงพระกลมนะเพื่อสทธรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแมชีและอยาดิธรรมทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่สุดนะในพุทธศาสนาของโลกเรานะก็คือวันวิสาขบาูชาเป็นวันที่ตรงนมาวันประสูตร ตัดสินรและปริิาพานของสมเสนจพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันสําคัญของอชาวพุทธไทยแล้วแล้วก็เป็นวันสําคัญของชาวพุทธทั่วโลกด้วยนะเพราะว่าในสาธารชาตินะถือว่าเป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของโลกในทีเดียวไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไรแม้แต่ในสหรัฐก็ยังถือว่าเป็นวันสําคัญนะ โดยเาะประเทินเดีบางประเทศก็เป็นวันหยุดด้วยนะอย่างที่ประเทศเวียดนามเนียประเทศเวียดนามในมีวันหยุดแค่สิบวันนะท่านเองในในปีหนึ่งนะมีแค่สิบวันนะเช่นวันชาตินะวันเกิดโฮจิมินหรือวันตายของโฮจิมินก็เป็นวันหยุดแล้วก็มีวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญจริงะ แต่ชาวพุทไทยนี่ไม่รู้จะเตินตัวในจุดนี้หรือเปล่าแต่ต่างประเทศนี่เติม ต, ต, ตัวมากเลยนะเพราะถือว่าผูู้เจ้าได้เป็นบุคคลสําคัญของโลกคนหนึ่งทีเดียวบุคคลที่สําคัญยิ่งอย่างยิ่งของของโลกเลยนะคั้นี้ท่านก็ ม, มีความสําคัญอย่างไรนะจริงๆแล้วท่านก็เป็นเจ้าชายศรีษะมาก่อนเนี่ยเจ้าชายศิีษะมีประสาทสามเดู อยู่อย่างสุขระบายประเภทแบบพระเจ้าชายที่เรียกว่ามีความสุขจริงๆแล้วทำไมมีความสุขขนาดนั้นท่านจริงออกมาแสวงหาความพ้นทุกข์พ้อเลียงนะจริงๆแล้วที่ว่าตอนนี้เป็นบารมีเก่าที่ท่านสะสมมานานแล้วนั่นเองนะใช้เวลาสร้างบารมีถึงเสียสงไขกับสายหมากับการสร้างบารมีนี่ยาวนานมาก จนทั้งในชาตินึงท่านก็เกิดในยุคของพระเจ้าพระองค์หนึ่งนะหลังจาท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นโอ้มีบารมีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวเป็นที่นับถือของประชาชนเป็นอันมากท่านเลตั้งใจในชาตินั้นที่จะเป็นพระุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการ ในขณะที่พระเจ้าเสด็จดำเนินไปนั้น่ะที่พื้นพื้นถนนก็ปรากฏว่าแฉไปด้วยคนต้มท่านก็เลยอธิษฐานตัวท่านเองเนี่ยเป็นสะพานข้ามให้พระพุทธเจ้าเหยียบข้ามไปนะก็นอนตัวราบลงบนพื้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงอเสด็จข้ามไปโดยรู้การใอธิษฐานจิตของบุคคลพวนี้นะแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าบุคคลพวนี้ต่อไปก็จะเป็น พระเจ้าอหนึ่งในนาคตระการนามว่าพรสนะโคตดมท่านกใช้เวลาสร้างบารมีในการเป็นพระพุทธศานายาวนานมากจนมาถึงชาติที่เป็นพระสิทธาได้ละอันนี้ก็พูดตามจริงๆแล้วก็คือบารมีเก่าท่านนั่นเองท่านจริงหาวนทางที่จะออกจากความทุกข์นะในขณะที่ท่านก็มีสิ่งต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดมีภาษาสามฤดูมี พระมหาเศรีที่งดงานเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ยังมีพระลาหูนซึ่งเป็นพระรถองค์แากอีกด้วยในขณะนั้นนะแต่ด้วยความที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาเยอะมากเนี่ยท่านก็เห็นความที่มันเป็นความทุกข์จริงๆในการที่คนเราเนี่ยมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน ม, มีแต่ความทุกข์จริงๆท่านพยายามที่จะหาหนทางที่ออกจากความทุกข์นั้นให้ได้นะ เระท่านี้ก็เป็นจุดอย่างหนึ่งว่าทําไมพวกเราเนี่ยจึงต้องออกมาปฏิบัติธรรมกันนะผู้ที่ออกมาปฏิบัติธรรมนี่ก็จะมีสองประเภทประเภทแรกก็อาจจะออกมาด้วยความอาจจะมีปัญหาต่างๆเยอะแยะเช่นอาจจะว่าเราขณะนี้เราแก่แล้วเราไม่สบายหรือว่าเรามีปัญหาต่างๆเยอะแยะเลยนะ แต่จุดสําคัญก็คือประเภทหนึ่งก็คือเราต้องมองเห็นทุกข์ก่อนนะทุกผู้ที่มองเห็นทุกข์แล้วเนยวันปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้ผลเร็วเพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าออกมาเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อสาเหตุอื่นก็เพื่อที่จะให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์ของเขาไม่ใช่ว่าทุกๆท่านในชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่ว่าเราเศรษฐกิจไม่ดีเรามาแบบนี้หรือว่าเราเจอปัญหาโอ้ถ้าเราคนนู้คนนี้อันนี้ไม่ชื่อว่า เป็นผู้เห็นทุกข์ถึงแท้จริงอันนี้เขาเรียกว่า<ม>เห็นทุกข์ชั่วคราว<ม>หรือว่าเกิดความเบื่อหน่ายชั่วคราวเท่านั้นเองซึ่งการปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลช้าเพราะว่าไม่มีแรงกระตุ้นจากภายในแต่ผู้ที่เห็นทุกข์จริงๆในวัตถสงสารก็คือเราไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแต่ในชาตินี้ชาติเดียวตราบใดที่เรามีกิเลสอยู่เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดนะ ละการที่เราไปเวียนว่าไปเกินเดนี่มีพบชาเยอะแยะนะอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดชชาเป็นไปตระทุนกาสันรกเนี่ยมีความทุกข์ตลอดนะหรือเป็นเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมพอหมดบุญปั๊บก็ต้องกลับมาก็ดเป็นมนุษย์ใหม่หรือจะไปเกิดเป็นสัตว์เดชชาเป็นลงนรกไปก็ได้นะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสักทีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ <c oughs> มีปัญญ า, าจริงๆก็จะมองเห็นเลยว่า การที่เขาออกมาปฏิบัติธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือนักปฏิบัติทั้งหลายแหละก็เพื่อความพ้นทุกข์ที่จะหมดอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิงถึงซึ่งความพ้นทุกข์นั่งคือทันิพพ่านไปเลยนะไม่ต้องเบียนบ้าใจเกิดอีกแล้วเนี่ยถ้าผู้ใดตั้งใจแบบนี้ก็จะได้ผลที่ดีงามสำเร็จอย่างรวดเร็วในการปฏิบัติธรรมนะ เพราะนั้นการที่เราออกมาปฏิบัติก็ต้องตั้งเจตนาให้ถูกต้องแล้วเราจึงจะประสบผลสาเร็จได้เร็วนะพระพุทธเจ้าก็ทรงถือกำเนิดขึ้นมาที่ลุมพินีใต้ต้นสาละในวันเพเดือนหก็คือวันวิสาขบูชานี่แหละและหลังนั้นก็ทรงประกอบกิจการในการที่เป็นพระราชริอย่างสมบูรณ์จนกทั่งได้ อ่าประสูข์เขาลดออกมาแล้วนะลงเห็นทุกมาตลอดแล้วจริงๆนะลงเห็นทุกเพราะจริงๆแล้วนะถ้าว่าท่านเห็นทุกเฉพาะในช่วงที่เห็นเทวทูตทั้งสี่นะก็มีผู้ที่เกิดผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายแล้วเป็นสมัญญเนี้ยนี่ก็น่าจะไม่ใช่นะเพียงว่าท่านอยู่ในใจแล้ท่านนั้นเองว่าเออมันยังมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ยังจะต้องทําต่อไปแต่ท่านยังไม่ไม่เข้าใจในจุดนั้นต่อเมื่อเห็น เทวดาทั้งสี่นถ้น่าเริ่มเข้าใจแล้วโอ้ชีวิตมันไปแบบนี้เองน้อมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยแล้วก็หนทางอย่างหนึ่งก็คือความเป็นผู้ที่สงบอะงับจากกิเลสทั้งหลายเมื่อมีความเกิดแก่เจ็บตายก็เรามีความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยท่าก็เริเห็นนทางแล้วแหละพอเห็นว่ามีสนับสมณะปั๊บเนี่ยท่านก็เลยเข้าใจเลยอ้ออันนี้คือหนทางนั่นเองนะหนทางที่ออกจะกล่อมทุกได้นะ ท่าก็เตัดสินใจนะที่จะเสด็จออกปัมชาและในวันแผนเดือนหกไม่ใช่ครับตอนที่ทุนออกมานะตรงก่อนนะครั้นี้ทุนก็ตัดสินใจปั๊บทุนก็เลยออกมาเลยนะเสด็จออกมาพร้อมกับอาฉันนะแล้วก็มาถึงที่ริมฝั่งม่น้ำแห่งหนึ่งนะก็ทรงปงผมนะปงผมแล้วก็ การประงผมนั่นก็คือว่าเป็นการออกบวชละละแล้วก็มอบสิ่งต่างๆที่นําติดตัวมาคืนให้กับชนะไปนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรติดตัวจริงๆในยุคนั้นนะเพราะว่าผู้ที่ออกจากจากรเลือนแล้วนะก็ไม่มีสิ่งใดติดตัวนอกจากเสื้อผ้าเล็กน้อยที่ประจำตัวอยู่นะครับเงินทองก็น่าจะไม่มีนะเพราะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ขอจริงๆในยุคนั้นซึ่งเป็น เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะสมัยก่อนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วในอินเดียพระผู้ที่เป็นสัญญาสีนี่พอถึงอายุถึงระดับหนึ่งซึ่งอายุมากแล้วก็จะออกแสวงหาธรรมะเหมือนกันนะโดยการประเพฤติพรหมจรรย์นะท่านก็แสวงหาความพ้นทุกข์อยู่ถึง6ปีนะมีการไปไปพบครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นสัญชัยปริภาชกเป็นต้นนะหรือว่า อาราณาดาบทอุทโธกดาบทต่างๆเราเนี่ยจท an ั้งเรื่องทั้งสองในมองว่เป็นอาจารย์ทานท่านเลยนะท่านปฏิบัติจนได้ถึงชั้นที่7็ดชั้นที่แปดแล้วซึ่งถือว่าสูงสุดในการปฏิบัติสมาธิทั้งหลายชั้นที่เจชั้นที่แปดก็เป็นระดับของอรูปฌานซึ่งสูงสุดแล้วเนี่ย แลท่านก็ยั ง, ยงพิจารณาเห็นว่าเออมันไม่ทําพ้นทุกข์นะการประบาดได้ระดับสูงแล้วเนี่ยเพราะถ้ า, ถาตายไปแล้วเนี่ยผุ้ทิศไปทรงจิตอยู่ในระดับนั้นนะก็จะไปเกิดเป็นอรุปรพมซึ่งอรุปรพมเนี่ยเป็นผู้ที่เสวยความสุขอ่าซึ่งละเอียดมากไม่มีไม่มีกายนะเป็นอรูปไม่มีไม่มีร่างกายแม้แต่กายทเทเลสไม่มีมีแต่เป็นจิตที่ละเอียดทั้งนั้นนะก็จะไปติดอยู่ในจุดนั้นนานมากเลย อันนี้เป็นสิ่งท่านเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่ทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะว่าทั้งหมดอาหมดจากชานั้นก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกก็ไม่ทางพ้นทุกข์นะท่านก็จริงต้องสวางหาคนทางต่อไปนะจนเรื่องต่อมาก็มีปัญญวัคคีนะก็มารับใช้ท่านนะท่านอยู่ปัญญวคีก็มีความเพียรในการที่เผากรีดโดยการที่โอตาหารก็คือทา พุกรักเรยานั่นเองนะอดอาหารเป็นวัาถึงสีเก้าวันนะก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์แน่ๆวิธีการเนี่ยไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าเมื่อหมดอดอาหารไปแล้วเนี่ยมันร่างกายมันก็ไม่มีกําลังที่จะไปปฏิทินูดีนะอันนี้ทุกวันนี้หลายๆหลายๆคนก็ยังใชวิธีนี้กันอยู่นะโดยเฉพาะสายวัดป่าต่างๆนะวัดป่าต่างๆเนในช่วงขึ้นพรษาเนี่ยก็จะอดอาหารกัน หายหลองค์บางองค์ก็อดทีหนึ่งสิกว่าวันหรือองค์อดงานกว่านั้นอีกนะคิดว่าเป็นนทางบันธุ์พุนะอันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นแล้วแต่หลักฐานของแต่ละองค์ครูบาอาจารย์แต่ละค์ที่เคยทํามาแล้วได้ผลนะแต่ว่าถ้าเราไปบัตรตามก็จะไม่แน่เหมือนกันเพราะนั้นวิธีการโดยการที่อดอาหารนั้นจริงๆก็อาจจะไม่ทำพันธุ์พุกได้แต่ว่ามันจะใช้ในการแก้กิเลสได้เป็นบางครั้งเท่านั้นนะ จนั้นมาพิจารณาแล้วก็ทรงอานอาหารต่อไปนะอาซาบุกหรือว่าอาปจวคนั้นเห็นป้าก็เกิควาเข้าใจผิดบอกวา่าพระพุธองค์นี้ส่งคายความเพียงแต่แล้วเพราะว่าอาปจวครัตอนนั้นเข้าใจว่าการที่อตหารนั้นคือหนทางแห่งการกกกที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆนะอันนี้ไม่ได้แกล้งคิดแต่ว่าในยุคนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามีทางสุดตรงสองทางก็คือ กามาสุขันหรือการนโยกก็คือการที่เราอยู่ในทางกามอย่างเต็มที่เลยนึกอยากจะทําอะไรก็ทํานึกอยากจะทานอะไรก็ทานก็คือตามใจกิเลสตัวเทุกๆอย่างบอกว่าเป็นทางพ้นทุกข์นะอีกทางนึ่งก็คืออัตถกิลมันฐานนิยตก็คือทางไปบัติในทางเต็มเครียดนะเอาจริงเอาจังไม่ย่อย่อนให้ฏปบัติอย่างเป็นการทรมานตัวเองบอกว่าเป็นทางพ้นทุกข์นั้นนยุกนั้นเป็นบัตนั้นจริงๆนะ เพ้นเมื่อเห็นพทุบดวงนี่ทรงคลายความเพียรหรือนึกว่าเออกลับมาทานหาแล้วเนี่ยต้องไม่มีทางคนทุกนากเกลียหนีไปหนีไปเลยคราวนี้ก็เกิดความสงบมากขึ้ น, นโอ้ตอนนี้ไม่มีใครมารบกวนเราล้ะเวลาการปฏิบัติธรรมก็มีดั่งที่มากขึ้นนะเมื่อเรากเก็บอารมณ์เนี่ยไม่มีคคามารบกวนเราก็มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะนะนะอาจนถึนถือวันเป็นเดือนหก<ป>ก็คือวันนี้เหมือนกันนะในตอนเช้าก็ได้ เจอกับโสติภามก็ได้มอบยามอบยาคามากลุ่มหนึ่งนะก็นำมานมาในการที่จะนั่งใต้ลมพระศรีมหาโภ์นะที่พุทธกยาใต้วมพระสรีมหาโพ์เลยนะแล้วก็ทรงตั้งจิติฐานว่าในค่ำคืนนี้ถ้าหากว่า อ่าไม่บรรลุพุทธมาสัมพุทธญาณมาแต่ร่างกายในจะเหือแห้งกระดูกเลือดเนื้อทั้งหลายจะแห้งเหลือไปก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งนั้นเป็นอังขาดนะก็ทรงตั้งใจอยู่เช่นนั้นนะในขณะที่ทรงเริ่มนั่งมาเขาเรียกว่ามีมารมาปจวนยยะเลยมารต่างๆสุลสาวดีมานยกทัพกันมาจะมาพิชิตให้ได้อันนี้คือมันกับกิเลสในช่วงนั้นน่ะมันก็จะมา เอาจริงอาจใจกับเราเหมือนกันเพราะเมื่อเราตั้งใจเอาจริงเม่อเราจะนั่งจนบ่าอาจจะบรลุแล้วเนี่ยร่างตายจะเกิดแห้งก็ เ, เป็นไรเพรนั้นมาต้องมาแน่นอนนะเพราะนั้ น, น, อนพอ เ, เราตั้งใจปุ๊บเออคือนนี้เราจะแบบทั้งคืนปั๊บนี่มาบรรพจนทันทีเลยบระจนอย่างยิ่ ง, น, งนะอันนี้คือมาในใจเรานั่นเองนะมาทําให้เราเนี่ยโอ้มีความทุกข์สาสาหัสเพราะว่ายังไม่ทันจะทุกข์เราก็ทุกข์เองซะแล้วเนี่ยอันนี้คือเราจึงไม่กล้าแบบนี้ไงเพราะบางคนเนี่ย ไม่ไม่กล้าออกไปไหนก็มีเอ้อยู่ว้าเราสบายดีไม่กล้าไปไหนเลยไม่กล้าไปทุดงไม่กล้าไปเข้าป่าเขาเขาไม่กล้าไปนอนในป่าไม่กล้าไปนอนในป่าช้าะไม่กล้าไปนอนในที่น่ากลัวอันนี้คือมาในใจเราทั้งนั้นเลยนะเป็นมานในใจเราไม่กล้าที่จะพบกับความทุกข์ยากลาบากทั้งหลายหลหรือแม้แต่เราอยู่บ้านเอสบายดีแล้วเราปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้อันนี้คือมาทั้งทสิ้นเลยนะนะ เนั้นมาลที่น่ากลัวคือมานในใจนเรานั่นเองแต่ระบารมีที่พระ่งค์ทรงทำมาแล้วนะก็สามารถที่จะชนะมาเหล่านั้นได้นะและในยามแรกก็ได้ทรงบรรลุอภิยเพณีวาสานุสติญาณก็คือญาณเป็นเครื่องอยังรู้ว่าอนณาเดชชาติเนี่ยพระองค์ได้ทรงเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนะบังชาติเคยเกยเิดเป็นพระมกษัตริย์เป็นคนร่ารวยเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเศรษฐี หรือเคยเกิดเป็นยาจกเข็นใจเคยเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานเยะนะเป็นเต่าเป็นนกเป็นช้างเป็นกวางต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเคยเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีนะพระพุทธเจ้านี่เป็นสัตตด harma เดียวนะที่เคยบอกว่าเออพระพุทธเจ้าทรงเคยลงนรกมาแล้วนะภพชาพระพุทธเนยาวนานมากนะยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดทรงเห็นโลกเกิดความเบื่อหน่ายใน คบชาติต่ตางๆในดีติชาติเนี่ยอันนี้พวกเราเาช่นเดียวกันนะเราไม่ได้เกิดในชาติในชาติเดียวนเนี่ยเราเคยเกิดมาแล้วเยอะแยะไม่ไว่าจะเป็นเราเป็นสนัตว์เลี้ช้างลงมาลตก็เคยเกิดมาแล้วหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็เคยเกิดม า, ลามแล้วเยอะแยะเหมือนกันนะแล้นในยานที่สองก็ได้สรุปนิดซึ่งจุดตัวปัจจ า, ายาก็คือยานเป็นเครื่องอย่างรู้ว่ากรรมใดนําให้ไปเกิดในแบบนั้นนะเช่นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหม กรรมอะไรนำมาเกิดนะหรือว่าเราเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนเป็นคนพิการหูหนวกตายอดเป็นคนปัญญาอ่อนนำกรรมอะไรนำให้มาเกิดในจุดนั้นนะทรงเห็นกรรมที่นำมาเกิดกรรมหมู่สัตว์เนี่ยเป็นการดำผุดดำวายเยอะแยะเลยนะของสัตว์สตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดที่เกิดความเบื่อหน่ายไปอย่างยิ่งนะเมื่อจิตเกิดความเบื่อหน่ายมากแล้วนะในยามที่สามก็ได้ทรงพิจารณาถึง ปฏิจจสมุปบาทนะก็คือความที่มันต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุและปัจจัยนะเริ่มต้นจากวิชาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสลายตนะก็เป็นเหตุให้เกิดภาษะ ภาษาก็เป็นเหตุได้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นเหตุเป็นให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดอพบพบเป็นให้เกิดชาติชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณะทุกขโทมนณะสุปาญาสาปียาวเหยดตามมาเลยนะอันนี้คือต้นเหตุอย่างหนึ่งว่าเออทำไมพบชาติเกิดเจริญก็เกิจริอุปทานนั่นเองนะอุปทานนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นนะ ในสิ่งทั้งหลายเรามีการยึดติดทุกคนนะมีการยึดติดว่านี่เป็นตัวตนของเรานะเมื่อเรามีตัวตนเป็นของเราปั๊บเนี่ยกิเลสจะตามาเยอะแยะเลยนะลองสังเกตดูบางทีถ้าเราเดินจงกลมเราจะเห็นชัดเลยเราเดินอยู่นี่เราจะเห็นโอ้ไม่ว่าลมอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวตนทั้งทั้งหมดเลยนะเกิดจะตัวตนของเราทั้งสิ้นนะ เรามีความบิดฉานั่นคือตัวตนของเราเหมือนกันตัวตนของเราที่ไปยึดว่าเราดีว่าเขาปุ๊บนะเราเกิดความบิดฉาขึ้นมาเกิดความรักความชังก็เป็นตัวตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกิเลสกิดจากอะไรก็จากความที่เรายึดติดในตัวตนของเรานั่นเองนะแต่เมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเบาไป็หมดเลยนะเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เมื่อมีชาติปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีชะลาคือความแก่ความเจ็บความตายและความทุกขามายาวเหยียดเลยนะเมื่อทรงพิจารณาแบบนี้ปุ๊บก็ทรงเข้าใจในเรื่องการที่เรามาเกิดนะว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุก่อนสรพิจารณย้อนกลับไปกลับมาในจุดนี้แล้วก็ทรงบรรลุเลยคือหนทางพุทุกข์เนี่ยปรากฏชัดขึ้นมาแก่จากสุของพระองค์นั่นก็คือฤๅษีนั่นเองยฤๅษีก็คือ ทุก <substit uting> นะน э สมุทัยก็คือสาเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุแห่งความทุกข์นั่นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองนะอวิชชาตัณหาก็คือความอยากทั้งหลายแหล่นะอุปาทานก็คือความยึดติดทั้งหลายหลาเหมือนกันนะเมื่อทรงเห็นแบบนี้ปั๊บนะก็เลยพบว่าเมื่อมีทุกมีเหตุให้เกิดทุกข์คือไม่ต้นเหตุแล้วก็มีหนทางที่จะต้องดับไปนะ ผลทางความดับก็มีในโลดนะในโลกก็คือความพ้นทุกข์หรือว่านิพพานนั่นเองนะแล้วจะทําอย่างไรจึงจะถึงความพ้นทุกข์นั้นก็คือต้องมีมรต์มรต์ก็มีองค์แปนั่นเองนะมรมีองค์แปก็คือหนทางที่จะไปบัตรเพื่อความดับทุกข์นะก็มีสามมาทิฏฐิสามมาสังกัปโปสามมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะสามมาสังกัปโปก็คือมีความดําริหรือความคิดชอบ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนคื อ, คอการงานชอบสัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความรับผิดชอบสัมมาสมาธิมีความจิตมีความตั้งมั่นชอบนในนัดกหนึ่งแปดนี้ก็โดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นทางห น, นทางความดับทุกข์ เมื่อทรงเข้าใจแบบในปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าก็เกิดุทศาสดาเอกขึ้นในโลกแล้วก็คือสมัครลุถึงอ่าซึ่งอาสวะเลียรญานั่นคือกิเลสทั้งหลายก็ดับไปจากใจของพระพุทธเจ้าแล้วน่ยของพระองค์เลยนะก็จึงเกิดเป็นพระเจ้าขึ้นมาเป็นองค์แรกอ่าของโลกในขณะนั้นนะในวันเพ็ญเดือน8เนี่ยเกิดความสว่างสวัยอ่าสเทือนไปถึงฟ้าถึงดินอ่าถึงเทวดาถึงพรหมทั้งหลายเนี่ยสเทือนไปหมดเลยนะ อันนี้เกิดจากการที่เกิดมีพุทาสนาเอกมันบางเกิดขึ้นมาแล้วในโลกในขณะนั้นคือวันเพนเดนแปดวันเพนเดนหนี้นะวันวิสาขบูชานี่แหละเพราะเราเราถือเราได้โชคดีมากที่เราในเกิดในในใต้ลมโพของพระพุทธเจ้านะคือเราในเกิดในยุคพุทธกาลนี่แหละอันนี้ถือว่าอยู่ในยุคพุทธกาลอยู่นะพุทธกาลก็คือยุคที่พระเจ้าน สามารถที่จะเผยแผ่คำสอนมาถึงพวกเราได้นะพวกเราเนี่ถือว่าโชคดีนะผู้ที่เกิดนอกยุคพุทธกาลเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะอเขาเรียกว่าเป็นยุคมืดอนะเรียก็เป็นพุทธอนดรนนะยุคที่ไม่มีพระเจ้ามาตรัสลูเนยอันนั้นยิ่งลำบากกว่านี้เยอะนะเราจะไม่รู้หนทางที่จะบัรเทือความทุกข์เลยนะจะต้องเวียนว่าตายใจยาวยาวไกลนะแล้วอย่างหนึ่ง เราโชคดีที่ได้เกิดในยุคพระเจ้านี้ก็คือเราเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์ในฉาสนี่เราก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นะหรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นเยอะยะเราไม้จะเป็นเทวดาเป็นพรมก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมได้พ้นทุกข์ได้ง่ายๆนะแต่การที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากได้เกิดในยุคที่มีศาสนาพุทธอยู่แล้ว มีชีวิตรอดอยู่แล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วได้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าในยุคนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นาราเป็นมเสด ท, ที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วเนี่ยหลังจากที่ทูลทรงตัดสัรู้แล้วนะ ก, วนวนก็ทรงพิจารณาว่าเออผู้ใดที่จะเหมาะที่จะรับฟังคําสั่งสอนของเราบ้างในขณะนั้นก็ทรงพิจารณาไปถึงผู้ที่น่าจะมีบา ร, รมีที่จะสําเร็จได้เร็วๆก็คืออาราบดาดบระอุทกดาบท์แต่ตเมื่อพิจารณา มาแล้นั้งทั้งสองเนี่ยก็เพิ่งจะถึงกับความตายเป็นลมไปนานมันเองนะทรงอุทานว่าอาชิพหายเสแล้วอาชิพหายเสแล้วทําไมเป็นแบบนั้นนะก็เพราะว่าท่านทังสองน่ยบรรลุถึงอรูปอรูปฌานแล้วน่ยก็ได้ไปเกิดเป็นอรูปผมเรียบร้อยแล้วแล้วที่ทรงอุทานวาชิพหายเสแล้วเพราะอะรเพราะว่าถ้าหากว่ามีพทูเจ้ามาตัดสัตรู้อีกหลายๆพระองค์ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้แต่ทั้งสององค์ก็ยังไม่มีโอกาสที่ยาบาลรับฟังธรรม สำเร็จพระพระรหัสเลยนะก็ยังคงเสวยสุขอยู่บนรูปอรูปภมพนั่นแหละแล้วมาตายลงก็ต้เกิดเป็นวาตายเกิดอีกนัดพระน้ำชาไม่ทื่อนเนี่จริงอุทานว่าชิบหายซะแล้วนะเพราะด้วยเห็นนี้เราจึงบอกว่าการบวรรมนี่มีหลายหลายวิธีการนะในเมืองไทยในมีวิธีการต่างๆเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการพองยุบสัมมาหังพุทโธอานาปนาสติ หรือการเจริญสติหรือประวัติวิธีการใดๆก็แล้วแต่ในเยอะแยะมากแล้วตาเราวิธีการเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะตาวิธีการรูปแบบที่วิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดฌานกันนะการที่นั่งสมาธิเกิดฌานเท่านั้นเองอันนี้เป็นที่ว่าเป็นวิธีการของของพรามนะเพราะพรามเนี่ยก็ได้สูงสุดแล้วนะนั่งสมาธิได้สูงสุดแล้วก็ไม่ใช่หนทางความปรับพ้นนะ แต่ถ้าหากว่าบุคคลใดที่ปฏจจัิไม่ว่าวิธีใดก็แล้วแต่สามารถที่ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนานะไม่ใช่แค่าชายเฉยยกจิตขึ้นมาสู่วิปัสนานั่นคือเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่ใช่ตัวเมตต์ตนของเรา <ละ S 1> บังคับบัญชาไม่ได้ไดเห็นความเกิดความดับของรูปนามขันห้านี้นะเมื่อจิตเกิดความยอมรับขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นวิ ธ, ธีการของวิปัสนานั่นคือเห็นความจริงของสภาวธรรมนั่นเอง ว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนีอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นความจริงแล้วนีไม่ว่าจะแบบวิธีการไหนก็แล้วแต่นะถ้าเขามเห็นความจริงแล้วก็ถือว่าใช้ได้เป็นผู้ศาสนาแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจริงจุดแบ่งขั้นระหว่างาศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์อยู่ตรงนี้ว่าเออเรามีปัญญาเห็นความจริงไห ม, ไมเห็นแล้วจริงถูกทางนักตาไหมเนีจุดแบ่งขั้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่เห็นแล้วไปติดในฌานเฉยๆก็เป็นแค่ศาสนาพราหมณ์เท่านั้นเองนะ แล้ผู้ที่ติดต่ความสงบนั้นก็เป็นค่าศาสนาผ่านนั้นยังไม่เข้าถึงพุทธนะนะนจุดนี้จึงเป็ น, ปนจุดที่กําเนิดของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในจุดนี้อ่าหลังนั้นก็ทรงพริจารณาแล้วโอทั้งสองท่านก็ดับปรญยานาเสาด็จ<ล>ก็พิจารณาต่อไปอว่าผู้ใดจะรับธรบรมะนี้ต่อไปได้<า>ก็พิจารณาถึงปัจจักีทั้งห้าแล้วตอนนี้ขณะนี้อยู่ที่ไหนก็ทรงรู้ว่าอยู่ที่ไปสีปณะม มฤกษ์กทัยวันนะก็ทรงใช้เวลาเดินทางไปหาอปยมวัคคีเป็นมาถึง2เดือนนะคือวันเพริน6ไปจนถึงวันเพริเนนนะวันเพริน8คือผ่านมสองเดือนก็ทรงไปพบปัญญาวัคคีที่ป่ายติปัตนะมฤกษ์กทัยวันนะขณะนั้นปัญวัคคีนี่ก็เห็นพรุ่งเดินมาแล้วล่ะแต่มีความเข้าใจว่าเป็นผู้ที่อาเวียนกลับไป อ่าในทางการอีกแล้วเพราะว่าไปฐานอ่าไปฉันอาหารในขณะนั้นนะก็นัดกันว่าจะไม่ต้อนรับเวลามาจะไม่ปูผ้าให้นั่งนะจะไม่ต้อนรับต่างๆแต่เมื่อเดินทางมาถึงก็มาปูพ้ายนั่งอยู่ดีอ่แล้วก็ปฏิันฐานด้วยด้วยดีอ่แต่ไม่ยอมรับฟังเพราะว่าหลวงดุษฎีทรงเห็นลักษณะการฉชนนั้นก็ดำเนินในใจว่าโอ้ทั้งสองคนยังมีความกระด้างกระเดืองอยู่นะก็ตัดถามว่า นายบอกว่าขณะนี้พวกเราเนี่ยได้บรรลุเป็นพระธรมมาสมุทรเจ้าแล้วนะอ่าแต่ว่าท่านห้าก็ยังไม่ยอมเชื่อดีรัศมีทว น, นยอน้อนอ่ากลับไปว่าวเราใครผู้เช่นนี้มาก่อนไหมอ่าท่านห้าก็เลยนึกได้ว่าไม่เคยผู้ชนนี้มาก่อนก็เลยยอมรับฟังเพราะด้ระอทรงแสดงธรรมเถรนาซึ่งถือว่าเป็นกันเอกอ่ากันแรกของของโลกของโลกเลยนะ อันแรกในชื่อว่าอะไรฮชื่อว่าธรรมจักรกับปะวัตถะสูตรนะคือเป็นธรรมะอันเป็นเครื่องเข็นธรรมจักรให้ดํำเนินต่อไปนะขณะนั้นธรรมจักรในหยุดนิ่งมานาแล้วล่ะเพราะเป็นยุคที่พระเจ้าเพิ่งจะมาตัดสรุปใหม่ก่อนที่จะมาตัดสรุปธรรมจักรมันหยุดไปแล้วเนะแต่เมื่อตัดสรุแล้วก็ทรงเห็นําธรรมจักรให้เดินหน้าต่อไปนะเพราะนั้น ธรรมะนี้ได้ชื่อว่าธรรมจัดจักรวาวัฒนสูตรก็คือการดําเนินของธรรมจัดเดินหน้าต่อไปนะอันมีสาระสําคัญว่าการประบาดสองอย่างก็คือความสุดต่งครั้งหนึ่งนั่นคือการมาสุขันหรืการนโยมนะกับความสดต่งอครั้งหนึ่งก็คืออัตตากิ้มมิธานโยมคือการทรมาตัวเองเนี่ยสองทางนี้ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์แต่อย่างใดนะเพราะในสมัยนั้นอินเดียนะถือว่า ผู้ใดที่ปฏิบัติอัตคิเกี่ยงมิถานโยเนี่ยน่าจะพ้นทุกจริงๆนะบางคนถึงขนาดเล่นแบบเป็นบัวก็มีเป็นสุนัขก็มีนะคือทําตนเป็นบัวเป็นสุนัขอะเป็นสุนัขก็ไปเที่ยวรับประทานอุจจาระต่างๆมอกเป็นทางพ้นทุกนะหรือบางคนทําเป็นบัวก็ไปเดินแบบบัวทําตัวนมันก็บัวทุกๆอย่างบอกเป็นทางทางพ้นทุกนะ หรือว่ลือดสีชีภายในเยอะยะเลยยืนขาเดียวกำมือจนเล็บงอกออกมาเมืม่อน่ะว่าเป็นทางพ้นทุกข์เพื่ออะไรเพราะว่าเมื่อการทารําช่นนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะเห็นใจนะเกิดความเห็นใจแล้วก็เป็นการทรมานตัวเองเพื่อให้บาปตัวเองที่เคยทํำนาดีนั้นหมดไปนะเ <นะ S 2> ขาเข้าใจเชน่นนั้นจริงๆนะเพราะว่าในสมเกลที่ในจุดนี้ว่าไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์แต่อย่างใดนะ แก็ทรงเสนอว่าขนทังความพ้นทุกข์ก็ไม่อยู่นั่นก็คือมรรคมงแปดนะแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจสี่นะมีทุกขสมุทัยในโลดมรรคนะว่ามรรคมง8ในเป็นทางปฏิบัติทิ้นไล่นะจนทั้ในขณะนั้นปัจจุันคีโองค์หนึ่งมีนามว่าโกนธัญญาเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก็เกิดโดยความเข้าใจที่จากการฟังธรรมว่ายังกินจิสมุทญยธรรมังสัพพันตังในโลดธรรมมติก็คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทัานโภคมีความดับไปเป็นธรรมดานะเกิดความบรรลุธรรมนะเห็นสภาพว่าทุกอย่างเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะบรรลุเป็นพระสาวดายานในขณะนั้นเลยนะพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงเข้าใจรลบรู้<บ>ทันที<บ>ก็เลยบอกว่าอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติกนทัญญาเป็นผู้รู้แล้วเนา โนธัญญารู้แลน้อนะเพราะนั้นคําว่ารู้ก็คืออัญญานั่นเองอัญญาโกนธัญญานั่นเองอัญญาคือโกนธัญญารู้อัญญาก็คือรู้นั่นเองนะอันนี้เกิดสาวโบ๊ะองแรกขึ้นมาแล้วนะมาก็คือเมื่อเข้าใจปั๊บเนี่ยพระโกนธัญญาเนี่ยก็เลยขอบวชในขณะนั้นเลยนะก็เป็นสาวโบ๊ะองแรกในพุทธศาสนาเพราะนั้นก็จะเป็นวัน อาสาลัยประวาขึ้นมาก็คือวันเพเดินแปะเนี่ยเป็นวันที่เกิดสายว่าวงแรกขึ้นมาในพระาศาสนานั่นเองนะหลังนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเพเดินทาไปอีกเป็นเวลาสี่หปีนะโดยความยากลําบากพอสมควรนะเพราะว่าสมัยนั้นอ่าก็ต้องเดินทางเอาโดยใช่เท้านี่แหละนะไปไหนก็ใช้เดินเอาตลอดนะตามประวัตินั้นพระพุทธองค์ไม่เคยนั่งเกวียนหรือนั่งม้าเลยนะจะใช้เดินเอาตลอดการเดินแต่ละครั้งก็เดินในป่าในเขาเนี่ย ขนาดเราทุกวันนี้ก็ยังลําบากขนาดนี้แล้วสมัยนั้นจะลําบากขนาดไหนนะการเดินป่าในเขายิ่งยุคนั้นยิ่งลําบากมากนะมีทั้งโครคภัยไข้เจ็บนะมาเลเรต่ต่างๆเยอะแย ะ, ย ะ, ยะอาหารการกินก็ไม่อโดนสมบูรณ์นะแม้แต่กฎก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใช้หรือเปล่าในยุคนั้นเพราะไม่ไม่ได้กายเป็นบริขารไว้กฎเนี่ยนะไม่ได้กายเป็นบริขารเอาไวนะ้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็ลําบากมากแต่ว่า โดยความแลาว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์นะก็ได้ทรงดำเนินตุลาสีห้าปีในการเผยแผ่ธรรมนะจนกระทั่งไปถึงที่จะตั้งใจที่จะไปปรินิพานที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะพระนรุนก็ทักว่าทําไมจะต้องไปปรินิพานในเมืองเล็กๆเช่นั้นน่าจะไปปรินิพานในเมืองใหญ่เช่นกรุงราชคือ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะเป็นเมืองใหญ่จะสมพระเกียรติกับพระพุทธเจ้าแต่พวกในทรงตัดว่ากุสินารานี้แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่นาดินนี่เคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนนะแล้วก็มีความพร้อมทุกอย่างที่จะอารั์การที่จะไปไปริพานที่เมืองนั้นนะในสุดกเดินทางไปแล้วก็จนถึงที่ตั้งใจไว้ที่จะไปริพานธ์นะในวันแผ่นดินหก็คือวันนี้เหมือนกันวันวิสาขบูชานี้อีกเหมือนกันนะ นขณะที่ทรงไปชวนหนักดูที่ใต้ใต้ต้นต้ต้นหลังคู่นะต้ต้นหลังคู่ที่เมืองกุสินารานั่นแหละขณะนั้นก็มีกษัตริย์ต่างๆมาเข้าเฝ้ามีบุคคลต่างๆมาเข้าฝ้ากันเยอะมากแล้วก็ยังมีอคุณสุดท้ายก็คือสุพุทธะปริพาชกซึ่งเดินทางมาไกลตั้งใจว่าจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ย ขอเข้ามาไปขอพระนรินบอกว่าข้าพเจ้าขอเข้าเฝ้าพระเจ้าสักครั้งหนึ่งได้ไหมเดินทางมาไกลมากเลยพระนรินก็ไม่ให้เข้ามาต่อเป็นการรบกวนพระพุทธองค์เพราะขนาดนี่พระองค์กาลังประชวรหนักอยู่แล้วเนี่ยก็จะปรฏิญาณแล้วนะแต่พระเจ้าได้ทรงฟังที่นั้นก็เกิดความเมตตาบอกให้เข้ามาเถิดอานนิ์ให้เข้าเข้ามานะก็เลยได้เข้ามาว่ามาฟังธรรม ถามว่าถามพระเจ้าบอกว่าตอนนี้มีศาลาอยู่เยอะแยะเลยเช่นศาลชัยปริพาโชคเป็นต้นแล้วก็องค์อื่นอีกห้าองค์รวมเป็นหอง์องค์ใดเป็นพระอรหันต์พระเจ้าบอกว่าอย่าไปพูดเช่นนั้นเลยอย่าพูดเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วก็ได้ท่งแสดงทำให้ฟังเมื่อแสดงทำให้ฟังแล้วนะปริพาชก ก็เกิดความโลภใส่แต่ในนั้นเป็นปริภัณฑชกน่ยการจะบวชเนี่ยต้องเวลายถึงหกเดือนจึงจะได้บวชเพราะว่าเป็นปริภัณฑ์ชกมาเก่าเพราะว่าเนี่เราจะก่อนที่จะบวชน่ยจะต้องช้ะลาหกเดือนได้ไหมเพื่อที่จะปรับตัวเองให้เข้าใจขนาดนั้นนะสมมติเราบอว่ายาว่าแต่6เดือนเลยแม้แต่หปีก็จะยอมก็จะยอม เมื่อเห็นชทนันต์แล้วก็ทรงให้บวชในขณะนั้นเลยนะให้บวชในวันนั้นเลยเมื่อบวชแล้วเนี่ยสุภูธาก็ไปเดินจงกลมทั้งคืนเลยนะการเดินจงกลมนี่ก็เดินไปดิมาก็พิจารณาเห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ประเดี๋ยวก็มีเมฆมาบังก็เกิดความมืดไปเมื่อเมฆหอยไปแล้วดวงจันทร์ก็เกิดความสว่าอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาพิจารณาจิตตัวอย่างว่าจิตของเราในจริงๆมันก็มันก็ไม่มีเมฆมาบังก็คือมีกิเลสนั่นเองนะ กายเมื่อกินอะไรออกใจแล้วจิตก็มีความสว่างครั้งนั้นเนี่ยทรงในขณะนั้นก็เห็นความเกิดความดับของจิตการทำความเข้าใจธรรมะก็เป็นบรรลุพระอรหันต์ในคืนวันนั้นเลยนะก็เป็นสายว่าองคุท้าเน่ยที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนวันนั้นนะในพระดวงก็ดูทรงอดับคันในคืนวันนั้นนะในวันวันเดือนเดือนหกนี้นะที่เมืองกุศินารานะ ซึ่งเป็นวันที่ตรงกันในวันประสูติตัสรุลและปรินิพานนะก็คือวันเพเดือนหกหรือวันวิสาขบูชานี่แหละเมื่อทรงปรินิพานแล้วนะข่าวก็แพร่กระจายไปต่างๆมากมายนะได้ยินไปตามเมืองต่างก็เดินทางมาเพื่อที่จะขอขอรับการแบ่งปันพระธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะปรากฏว่าเมืองต่างก็จะมาแย่งกันเยอะแยะเลยนะ ตางคน à, ต่างก็จะยกทัพมาเพื่อจะแย่งชิงพระธาตุพระลมสารฤทธธาตุของพระเจ้ากันแต่ว่าทูลพามเนี่ยก็มีปัญญาบอกว่าเออมากันกี่เมืองเราก็จะแบ่งให้แต่ละเมืองนี่เท่าเท่ากันนะก็เลยทุกเมืองก็เยอมตกลงใจเช่นนั้นนะให้ทูลพามเป็นผู้จัดแบ่งก็เลยแบ่งพระธาตุเป็นกองๆโดยการที่ใช้ธนาน์ตวงพระธาตุเหล่านั้นไปนับเงินต่างๆไปนะฉะนั้นก็ เมืองต่างก็นําไปพุทธานของสมณสัมราของพระธรรมจาเอาไปสร้างออเจดีย์เอาไว้ในแต่ละเมืองแล้วทก า, าการสักการะบูชาอย่างยิ่งใหญ่มโหราณสึกมาน ะ, ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็มีการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางนะไปสู่เมืองต่า ง, างในพระยุคของพระเจ้าอโศมหาราชนะเรื่องทรงทรงสมทูตเนี่ยไปในประเทศต่างเนี่ ย, ยหลายประเทศทั่วโลกเลยนะสมมเมืองไทยก็มี สองค์นะคือพระโสณะองค์หนึ่งนะกับอีกองคหนึ่งนะมาที่เมืองไทยมาเผยพระเนีจึงทั้งทุกวันนี้เมืองไทยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธศาสนาของโลกไปเมืองไทยนี่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกนะเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะที่เราเป็นเป็นเมืองในประเทศที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาเพราะฉะนั้น ถือว่าประเทศไทยในทุกวันนี้คนที่เกิดในเมืองไทยนี่เป็นผู้ที่โชคดีมากนะแล้วขอพวกเราตั้งใจวันนี้ละกันนะว่าวันนี้พวกเราเนี่ยจะทําอย่างไรให้กับพระพุทธเจ้าดีนะที่ท่านได้ทรงมีความเพียรพยายามเช่นนั้นนะก็คือเราควรที่จะปฏิบัติบูชากันเป็นอย่างยิ่งนะปฏิบัติบูชากันเป็นอย่างยิ่งถ้าทําได้นะก็เห็นว่าเออหลวงพ่อท่านก็ชวนให้เราในสัตวิกนะในสัตชิกอ่ปะเดี๋ยว อาจจะมีการพูดกันในจุดนี้อีกนะว่าจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะในสัตว์ทิศเราก็ต้องไปบัตดทำอย่างเต็มที่ในวันนี้เพื่อไปการพุทธบูชาการพระเจ้าของเราให้ทําให้เต็มที่เลยในวันนี้นะยอมยอมตายถวายชีวิตเพื่อการที่เราจะได้เข้าถึงธรรมกันในท้ายที่สุดนี้นะโอกาสวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอรัตนาบารมีแห่งคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นะเป็นบรมเลี้ยยิ่งใหญ่น้อมนำชักจูงให้จิตของเราถึงซึ่งศีลสมาธิปัญญาถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถึงพุทนิพัานได้โดยเล็วพันทุกท่านเทอญเตรียมตัวกาพะ